ขอความสุขความเจริญจง ม, มีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องนัสสันติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกำจัดเบญจขัน์คือกำจัดทุกข์ก็เริ่มต้นจากการเข้าเฝ้าของเทวดาแล้วเทวดาก็ ได้กล่าวคาถาต่อพระพักร์พระพุทธเจ้าเป็นํานองเสนอความคิดเห็นแล้วก็จบลงด้วยการยอมรับหรือปฏิเสธของพระพุทธเจ้าถึงตามปกติแล้วก็เป็นการแสดงความจริงที่ดีือมีการเข้าถึงมีการเรียนรู้กัน ก็อย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมันผ่านพัฒนาการในด้านต่างๆมาเป็นนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความคิดถึงตามปกติแล้วก็เป็นการแสดงความจริง มีกมีการเข้าถึงมีการเรียนรู้กันก็อย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมันผ่านพัฒนาการในด้านต่างๆมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระบบความคิดทางด้านศาสนาที่ชมพูทวีป ก่อนรู้จักจะไดดศัตรูนั้นก็ก้าวไปสู่ถึงเนวสัญญาณสัญญายตนาชานซึ่งเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบยืดนานฮะแต่ไม่ใช่ตลอดไปถึงจุดหนึ่งก็ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกเช่นเคยันคำกล่าวของเทวดาค่อนข้างจะลึกซึ้ง เนการแสดงความจริงซึ่งตามปกติแล้วสังคมพยายามกลบเกลื่อนพยายามปกปิดเพราะมีการกำหนดหมายอารมณ์ในภาษาของวิปัสสนานั้นท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือมันคลาดเคลื่อนจากความจริงความเป็นความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นระดับหนึ่งแต่เราก็พยายามกลบเกลื่อนปกปิดความจริงเหล่านั้น แล้วก็มีการปรุงแต่งจากปัจจัยภายในบ้างจากปัจจัยภายนอกบ้างหรือผสมผรสานกันบ้างจนบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมจิตสันดานคืออยู่ในส่วนลึกของจิตหรือก้นบึ้งของจิตปัญหาเด็นที่เทวดาพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงแต่ว่าเข้าถึงยากกันนั่นเองท่านบอกว่าการทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เป็นของเที่ยงย่อมไม่มีเกิดที่จริงในหมู่มนุษย์ในหมู่อะไรมันก็ไม่เที่ยงทนานั้นหนะถ้าเป็นกิเลสกามก็ดีเป็นวัตถุกรมก็ดีโดยจะเป้าอย่างยิ่งกือวัตถุกรรมนั้น โอกาสที่จะเสื่อมสลายแตกทำลายไปอาจจะผ่านการเวลามากบ้างน้อยบ้างอย่างยกตัวอย่างว่าเสาถนน ต, ต่างระดับเนี่ยต่างดวนคือเวลานั่งผ่านแล้วก็นึกถึงทุกทีว่าเออพวกนี้ที่จริงมันก็นเป็นการผสมกัน ไปกรรมวิธีคือหินมีหินมีปูนมีทรายมีเล็กแล้วก็มีน้ำที่มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วก็มาผสมกันถูกส่วนก็จะบงอยู่ได้นานนะฮะแต่จริงๆสานะเขาก็คือวัตถุ ก, การแต่มีการปลูกแต่ง ด้วยความคิดของมนุษย์ด้วยการกระทาของมนุษย์มันจะยั่งยืนกว่าปกติแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปอาจจะใช้เวลาเป็นพันพันปีก็จบลงที่ความแตกทำลายเพราะยังไงยังไงก็คือไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป ถ้าปัญญาเราแจ่มชัดหรือว่ามองด้วยกล้องพวกจุลทรรศน์พวกอิเล็กตรอนไมโครโสโคปจะเห็นว่าพวกวัตถุธาตุมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่เนื่องจากโมหะคือความหลงปิดบงังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้เราก็ไม่เคยเข้าถึงความจริงตรงนี้เพราะจิตใจจึงหมุนวนอยู่ระหว่างกิเลสกามกับวัตถุการม แต่กล่าวว่าบุรุษผู้เกี่ยวข้องแล้วผู้ประมาทแล้วในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความใคราทั้งหลายอันมีอยู่มันในหมู่มนุษย์นี้ไม่มาถึงนิพพานที่ไม่กลับมาแต่วัตตะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุสํานวนบาลีก็ยากหน่อยคือหมายความว่าคนก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งก็อยู่ในกระแสของโลกียธรรม อาศัยสมุทัยกระทุกนะฮะตัวนี้เราจะเห็นว่าอารมณ์ที่ตั้งแห่งความคล้ายทั้งหลายอันมีอยู่ในหมู่มนุษย์เนี่ยไอยตัวอารมณ์อารมณ์ห้าประการแรกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะหรือว่าสิ่งที่เรากระทบถูกต้องเย็นร้อนอนแข็งยืดเหนียวต่งตางๆ มันก็เป็นโลกวัตถุเป็นวัตถุกรามส่วนหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติจะเกิดขึ้นในเงื่อนทขปัจจัยตามธรรมชาติส่วนหนึ่งก็อาศัยการกระทำของมนุษย์หรือบางครั้งก็ความวิปริปแปรกปรวกของธรรมชาติแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือไม่เที่ยงแต่ว่าใจคนไปกาหนดด้วยความกาหนัด แล้วก็ทำให้ประมาทพระคนที่ประมาทเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังสารและทุกข์ได้จนขนาดพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความไม่ประมาทก็ออกมาในสี่ในสามกลุ่มใหญ่ๆเราก็เจอบ่อยนะฮะ ความไม่ประมาทที่ค่อนข้างสากลก็คือไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาทในการละชั่วประพฤติดีและพัฒนาจิตของตนให้เข้าสู่คันลองแห่งธรรมและประมาทในการสัมผัสอารมณ์คือการการสํารวมระวังเวลากระทบกับอารมณ์ จะปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์โลภะบ้างราคาบบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างและประมาทขาดสติบ้างซึ่งตามปกติแล้วจะส่งสอนให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังจิตในแต่ละขณะที่เราสัมผัสอารมณ์ ถึงกฎหมายความว่าการปฏิบัติทุกข้อเนี่ยถ้าไม่ประมาทสักจุดหนึ่งมันก็จะเกื้อกูลต่อความไม่ประมาทในจุดอื่ทอนทํานองเดียวกันเมื่อประมาทในจุดหนึ่งก็จะนําไปสู่การความประมาทในจุดอื่นๆต่อไปคนประเภทนี้ท่านบอกว่ามันไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วท่านอธิบายลักษณะของนิพพาน ลักษณะของนิพพานก็คือสภาวะหรืออาจจะเรียกอะไรล่ะคือมันต้องก็สื่อสารยา ก, ก น, นะฮะที่มาย้อนกลับเข้าสู่กระแสของวัตตะอะไรก็ตามที่ย้อนกลับเข้าสู่กระแสของวัตตะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นนิพพานที่สมบูรณ์แม้บางพวกจะเข้าสู่กระแสพันิพานแล้วเช่นพระโสดาบันพระสเกตากาพระนาคาเนี่ยที่จริงท่านก็เข้าสู่กระแสของพันิพานแล้ว แต่ยังมีการบังเกิดอีกอย่างน้อยก็หนึ่งชาติเพราะนท่านก็แสดงว่าก็ย้อนกลับมาสู่วัฏฏะเพราะไรเพราะกิเลสยังไม่หมดเมื่อกิเลสไม่หมดกรรมก็ไม่หมดแต่กรรมไม่หมดวิบากก็ต้องเกิดจากกรรมที่ทาที่พูดที่คิดก็เป็นการอธิบายนิพพานนั้นก็แล้วแต่ว่าจะอธิบายโดยปริยายใดเพราะอย่างที่เราก็พบมาบ่อยๆนะฮะว่านิพพานเนี่ยอธิบายเยอะ แม้ในธรรมจั ก, กรวัตนาสูตรเองเป็นพระสูต์แรกพระพุทธเจ้าเคยใช้คำต่างเยอะจนตอนทรงอธิบายนิโรธที่แปลความดับทุกข์ก็คือเป็นวิยพน์ของนิพพานเนี่ยทรงใช้คาว่าการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้นการถ่ายถอนตัณหานั้นจิตที่หลุดพ้นจากตัณหาเหล่านั้น แล้วก็จิตที่ไม่มีความอาลัยไม่มีความเยื่อใยในสิ่งที่ได้ละไปแล้วแต่และชื่อเนี่ยมันเป็นความหมายของนิพพานท่านบอกว่าคนพวกนี้จะไม่มาถึงแต่การหลุดพ้นจากวั ต, ตะได้เพราะในวั ต, ตะเนี่ยมันจะเดินไปสู่เกิดแก่ตายจะพูดง่ายว่าเกิดแก่เจ็บตาย แต่ว่าในวัดไดวิวัตตะคือพ้นจากวัตตะในตัวนิพพานเนี่ยมันจะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีอะไรให้แก่ไม่มีอะไรให้เจ็บไม่มีอะไรให้ตายไม่มีอะไรให้พลัดพลากการพลัดพลากก็คงมีอยู่ความเจ็บก็คงมีอยู่ความตายก็ยังมีอยู่แล้วก็ การพระปพาดสูญเสียต่างๆก็มีอยู่แต่ว่ามีอยู่ที่คนอื่นเพราะพวกนี้มันเป็นอาการของโลกแต่ว่าผู้พระพลาดไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ตายไม่มีผู้พระพรากไม่มีเพราะว่าในนิพพานนั้นไม่มีตัวตนให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้พระพรากแลวท่านก็บอกว่า เบนจะขันเกิดแต่ฉันทะก็สรุปไปเห็นว่าคือเป็นวิธีการอธิบายธรรมะ อ, อีกจุดหนึ่งนะฮะฉันทะก็คือกิเลสประเภทตัณหานั่นแหละแต่ว่าในที่นี้ท่านเรียกที่มีความเข้มข้นลดลงมาแต่ลนหลายนึกถึงพวกมโนสัญเจตนาหานย อาหารก็คือความจงใจความตั้งใจความพอใจเป็นความพอใจการเป็นมนุษย์การพอใจเป็นเทพเป็นธิดาเป็นพรหมเป็นอะไรๆต่างๆมันก็มีชั้นทะาซึ่งบางท่านเนี่ยมีบุญมีกุศลเยอะสามารถจะเลือกพบชาติที่ประณีตตามที่ท่านต้องการคือเลือกไปเกิดได้ก็แสดงว่าท่านก็ต้องมีชั้นทาในตรงนั้น แล้วก็ด้านท่านก็ได้ขันห้าหยาบกลางละเอียดตามสมควรแก่ชันทะของท่านปุกก็เกิดแก่ฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจนะความกำหนัดความยินดีความพอใจก็ที่จริงแล้วบางครั้งเราจะพบอย่างเรียกนิบอลเนี่ยเรียกว่าการมชันทะแปลว่าความพอใจในสิ่งที่ใจใคร่ ใจปรารถนาใจต้องการเพราะใจไปกําหนดว่าสิ่งเหล่านี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็แสดงว่าความพอใจเกิดขึ้นในที่ไรในที่ไหนเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นประสาทใดที่เรายังมีความพอใจเนี่ยพูกง่ายประสาทใดที่เรายังมีความยินดีเนี่ยความยินรายจะเกิดขึ้นเช่นสมุติว่าเราพอใจใน แหวนเพชรอะไรก็ได้ตั้อย่างหนึ่งพอใจในรถพอใจในคนพอใจในสัตว์พอใจในสิใใน่งพ อ, พอใจในอะไรก็ได้มันจะมีอาการหวงอาการห่วงอาการวิตกกังวลอาการหวาดระแวงความกลัวเพราะจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนเองพอใจเพรมันเป็นเหตุเป็นทุกข์ในสังสารวัตรด้วย ในขณะเดียวกันเป็นทุกข์ในขณะที่สัมผัสกับอารมณ์เลยให้เราสังเกตว่าเรารู้สึกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยซึ่งเป็นอ า, าการตันหาคือมันก็ก็จริงก็คือพ อ, พอใจนั่นแหละแต่มันเข้มข้นกว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าของเรา เ, เราจะเป็นทุกข์ ในการสแสวงหาเป็นทุกในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อการได้มาเพื่อถือครองเพื่อครอบครองพอครอบครองแล้วน่าจะสบายนะมันไม่สบายเต็มเกิดหวาดระแวงเกิดวิตกกังวลเกิดกลัวการป้นการจรี้การฉก ช, ชิงวิ่งราวอะไรต่างๆนะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราแล้วก็มีค่ามาก จะมีการป้องกันมีการรักษาบางครั้งบางคราวก็มีรถปปมีตู้นิรภัยมีรถนิรภัยอะไรต่างๆมากมายใกลกองก็ไม่มีอะไรแราวคือว่าไม่ต้องการพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่เราพอใจตราแสดงว่าในขณะนั้นเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในรูปของความไม่สบายกายไม่สบายใจ อยากไม่มีอะไรก็ไม่สบายใจแหละกลัวว่าจะเกิดตระภัยเกิดอักขีภัยเกิดราชภัยอะไรต่ออรางๆสารพัดแต่พอเราไม่พอใจอ่ะเลิกพอใจความทุกข์มันก็ดับในเรื่องนั้นแต่ว่าจิตมันก็วิ่งไปเกาะอารมณ์เราเอง ก, ก็พูดก็ขายากกันนะฮะจิตมันก็สายไปในอารมณ์ต่างๆทีนี้ แต่ก็บอกถึงถึงมรรควิธีมรรควิธีก็คือการเพราะกําจัดฉันธะติเสียจึงกําจัดเบญจขันได้เบญจขันในที่จริงมันเป็นโลกโดยสรุปนะยกเว้นพระนิพพานมันก็เป็นเบญจขันทั้งนั้นผนละสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรู ป, ปรขัน แล้วก็สิ่งที่เรารู้ได้ใจตัวใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่เรารู้ได้ใจก็เป็นนามขันเพราะในเบญจขันก็คือรูปประธน า, น, า น, นัญญาตัณขานวิญญาณเนี่ยมันครอบจั ก, กรวาลหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วยกเว้นนิพพานเพตอนนิพพานนั้นเป็นขันทวีมุตคือพ้นจากความเป็นเบญจขันแต่พอต้องการย้าสื่อสารนี้เกิดความเข้าใจมันก็ต้องพูดในฐานะที่เป็นนามธรรมอย่างหนึ่น เอาทำไอย่างนั้นมนก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นสัมผัสตรงทางใจของคนเหล่านั้นก็ไม่มีใครอธิบายให้ใครได้ชัดเจนเหกว่ามันเป็นยังไงตามปกติเราก็อธิบายอะไรไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคเ<ม>นรูปสวยนี่อธิบายยังไงให้คนเห็นตามที่เราเห็นเสียงไพเราะอธิบายยังไง ให้คนก็เห็นตามที่เราเห็นนอกจากให้เขาดูเองให้เขาฟังเองให้เขาดมเองให้เขาลิ้มเองให้เขาจับต้องเองแต่เขาเองพอจับต้องไปแล้วเขาก็อธิบายคนอื่นไม่ได้ไเพียงเพราะมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงเฉพาะตัวแล้วก็อยู่ที่การกำหนดอารมณ์ของบุคค ล, ลนั้นก็แล้วแต่ ผลสิ่งอย่างหนึ่งอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายแป็งความรู้สึกเฉยๆของบุคคลก็ได้ดังนั้นตราบใดที่เรายังกาจัดสันทะไม่ได้เรนเน้นไปที่ตัวตัณหานะฮะตัวตัณหาทีนี้ถ้าเรากำจัดได้ ทีนีก้การการกำจัดด่างก็ต้องมองถึงอริมักนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นผลออกบาในการกำจัดเนี่ยมันมันจะเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมะปฏิบัติเพราจันท่านเนี่ยมันก็จะเทียบแล้วเหมือนกับความมืดเนี่ยจริงๆเรากำจัดเองไม่ได้แล้วก็จุดไฟขึ้นมาแล้วก็เปิดสวิตไฟขึ้นเหตุมาเหตุเราทําก็คือแค่จุดไฟแกเปิดสวิตไฟ แล้วไฟเนี่ยจะทำนาทีขจัดความมืดเพราะในปฐมเทศนาเองพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงแท้คำสามคำห้าคำจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เร า, ญญาก็ทรงแสดงถึงตัวยานหรือตัวปัญญาหรือตัววิชานี่มันเกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงในหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการ แต่ส่งชัดเจนทั้งหมดด้วยพระยานทั้งหมดนะฮะแต่เราไม่คุณจะติดในคำว่ายานอย่างเดียวเพราะจะเรียกอย่างอื่นก็มีเนื่องจากตรงนี้เป็นภาษาที่ใช้เยอะมากสับแสงที่เรียกว่ายานคือสับแสงที่แทนปัญญานะแทนปัญญาแทนวิชานี่จะเยอะแล้วแทนนิพพานยังเยอะกว่าแต่ น, นิพพานยเยอะกว่าะอีก เพราะว่าตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นโลกิยาอยู่ด้วยแต่ตัวนิพพานเนี่ยเขาเป็นโลกุตระเพราะงั้นมันก็ต้องใช้สื่อภาษาเนี่ยไปแทนคือจะธิบายชัดเจนไม่ได้ดังกล่าวแต่ยังบอกว่าเพราะกำจัดฉันทะเสียจึงกำจัดเบญจขันได้ไหมายความว่าไม่ใช่ทำลายตัเวเบญจขันนะครับ ทำลายตันหาอุปาทานที่มีอยู่ในเบญจขันธ์ดังความคุนึกออกซึ่งตั้งยกยกตัวอย่างธรรมะที่เราคุ้นๆมากเนี่ยคือในอนัตตลกันสุรเราจะเห็นว่าความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยมันเข้าใจว่าเราเป็นตนตนเป็นเราเรามีในตนตนมีในเราแล้วก็ไปผูกโยงไว้กับขันธ์ทั้งห้า กลาเป็นสักกายะทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนทีนี้ตราบตาบใดที่ยังเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีความถือตัวถือตนยกตนข่มท่านดูมิ่นคนอื่นปลนเปลือตัวเองโอสารพัดเลเพื่อปลนเปลือยําว่าตนอย่างเดียวเนี่ยมันเรื่องเยอะมากสารพัดที่เราทําเนี่ยเพื่อปลนเปลือตัวเราเพราะเราไปคิด ว่าตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอะไรนี่แล้วก็ต้องไขว่คว้าปรารถนาสิ่งทั้งหลายเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนก็กลายเป็นการขอตัณหามาทาิฐิพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงความจริงที่มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งมันติดมากับสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย ในข่าวนั้นก็ทรงแสดงอนัตตก่อนทรงแสดงเห็นว่าขันห้าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวฉุดเพราะถ้าไม่สลายตรงนี้ก่อนเนี่ยมานะกับตถามุณจะเกิดตามมาคือถ้าหาว่าขันห้าเป็นตนอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยขันห้าก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าเหน็ดเหนื่อยนะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สั่งการได้บงการได้ แต่ตั้งฟังลองสังเกตว่ารูปปักขันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีนะสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเรากํากับแก่ไม่ได้จากเรื่องนึงทำได้ขณะขณะสั้นๆเนี่ยเราทำได้แต่ทํายาวๆเนี่ยไม่ได้จะแก่ตลอดไปเนี่ยไม่ได้นะความจําให้ดํารงอยู่ตลอดไปเนี่ยก็ไม่ได้ เพราะแกตกอยู่ในกฎของความไม่เชื่องด้วยในขณะที่เป็นอนัตตาเนี่ยพระสงฆ์เน้นย้เพราะคาน่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยขนาน่าจึงเป็นไปเพื่อพาสคือมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมดาของมาันแล้วกษัตรย์ทั้งหลายไม่สามารถจะตั้งความหวั ง, งว่าขนาน่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยไปตั้งความหวังอย่างนั้นไม่ได้เพราะบาปันเป็นอนัตตา ดังนั้นก็สงแสดงเห็นว่าผู้พวกภิกษุปัญญวกีนคิดอย่างไงคิดต่อขณาอย่างไงขณาเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็บอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็บอกเป็นทุกข์สรุปประเด็นเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการทุกว์ไม้ที่จะไปยึดติดว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเรา ทั้งก็ ก, กระโจนมาไม่เป็นการสมควรทีนี้จิตมันสายมันวิ่งก็คล้ายๆกับลิงที่มันวิ่งไปในป่าก็จับวางจับวางแล้วก็ยึดต่อไปเรื่อยๆนะฮะเป็นตัณหาอุปาทานตัณหาปาทานตัณหาปาทานตัณหาปาท า, า, า, านไปเรื่อยๆแล้วก็ผลท้ายมันก็จับอะไรไว้ไม่ได้ทักอย่างแกก็วิ่งไปเรื่อยๆของแก จิตมันจะเป็นอย่างไงนะเราก็สงสอนในแนวสรุปว่าขั้นหาอย่างใดยังหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาวก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีขั้นห้ามันก็สับแตว่าคั้นห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ให้นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้ พอปัญญาเขาเกิดเนี่ยชันทะมันเป็นสมุทัยนะปัญญาเขาเป็นมากก็จะทําลายก a r m a ชันทะเป็นต้นนะฮะก็วา่าไอ้กิเลสเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านจะยกข้อใดขึด้นมาแต่เขาเองเขาก็ปลุกโยงกันอยู่โดยธรรมชาติของเขาเพื่อเมื่อกิเลสอย่างหนึ่งลดกิเลสอย่างหนึ่งก็ลดตาไป ธรรมะอย่างหนึ่งเพิ่มธรรมะอย่างอื่นก็เพิ่มตามมาท่านจึตบอกว่าเพราะกาจัดสันทัเสียจึงกาจัดเบญจขันได้กาจัดโดยความม่ยติดนะเบญจขันก็มีอยู่นั่นแหละแต่จิตมันไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราถ้าวังลองสังเกตว่าถ้าเราไปไหนเราไม่อัตตาเราไม่ใหญนะ่ยังไงก็ได้ นั่งที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ไ ด, ไได้ใครจะแสดงออาการกิริยาต่อเราอยังไงมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวข้าวม่ที่หนึ่งใครไม่ว่า้เลยมันก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเรื่องของเขาใครไม่ทักเลยมันก็เรื่องของเข า, ร เ, เ, รข เ, ข า, าเราไม่มีอาาัตราที่จะไปแบกเอาไว้อย่างนั้นแต่ที่เรายุ่งเนี่ยคือว่าสังคม โลกนี่มันอันตราเปนเยอะแล้วอย่างระบบบางระบบเนี่ยเช่นระบบราชการเนี่ยคือเรจะเห็นว่าเวลาเราไปต่อนี่เราจะเห็นเลยว่ายังมีระบบเจ้าขุนมุญนาอยู่เยอะแล้วก็นิยมเป็นอํานาจนิยมคือชอบชายอำนาจแสดงความสําคัญของตัวเองแต่ในใช้อำนาจแล้วก็ คลๆกับเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่จําเป็นแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ติดต่อมาไม่เคยไปติดต่อกับราชการนอกจากว่าเขาติดต่อมาเขานิมนต์ไปก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ให้เราไปหาเนี่ยเราไม่เอาก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปเพราะบางทีเราก็เสียความรู้สึกนะ เรื่องไม่น่าจะยุหยิมอย่างนั้นทาไมมันยุมยิมเยอะเหลเือเกินทุกทีไม่มีกฎหมายรองรับอะไรอยู่เลยแต่นั่นคือแสดงความมีอัตราตูดตุลฉันใหญ่ฉันสำคัญคนต้องพี่นอพี่เทาเขามาหาเลยก็กลายเป็นช่องว่างช่องว่างระหว่างราชการกับราชดรแล้วมันแก้ไขยาก คือการอุดช่องว่างเนี่ยที่จริงมันมีสองอย่างคือหนึ่งก็มีการสงเคราะห์กันแล้วก็สองเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมะคือหน้าชี่ต่อกันโดยความเอื้อเฟือ้อการปบัติตามกฎหมายที่จริงโดยสรุปนี่คือการทำประโยชน์สุขให้แก่มาสุดสาราถาของกฎหมายต้องออกมาอย่างนี้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการข่มเหงเบียดเบียนประทุษร้ายใคร กฎหมายสําคัญเนี่ยก็เรียกกฎหมายมาหาชนจนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นกฎหมายมาหาชนเป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่มหาชนถ้าแปลเต็มที่นะมันต้องแปลอย่างนั้นไม่ใช่มาหาชนเฉยๆแต่เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่มาหาชนเป็นลักษณะการบริการมากกว่าบริหาร แล้วก็ทาให้เราสามารถเอาใจคนเข้ามาได้แต่นั้นคือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติไม่ใช่ว่าข้าราชการในส่วนใดของโลกมันก็เป็นก็อย่างนั้นนหะคือธรรมชาติของคนเนะ่มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตรู้ถึกว่าตัวเองมีอำนาจมีพลังมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีแม่ในสัตว์เดราาัจฉานทั้งหลาย แต่สุนาร์แดงเราสังเกตว่าคนเดินไม่ในวัดไม่ใช่ว่าเข้ามาน่มันก็เห่าหลายนั่นคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ ก, ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้ก็ในแง่ของธรรมะคือสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราไปจะเป็นอย่างนี้เราไปจะเป็นอย่างนี้ ทีนี้เมื่อเรากําจัดความยึดมั่นหรือมั่นในเบนจะขันได้เนี่ยตัวขันเนี่ยมันก็เรียกทุกข์กับขันคือก้อนทุกข์ที่มันเกิดจากการยึดถือคืออุปาทานทีนี้ถ้าเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นต น, นของเรามันก็ความทุกข์มันก็ดับท่านจึงบอกว่าจึงกําจัดทุกได้อารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกไม่เป็นกาม ความกำหนัดที่พร้อมไปด้วยความดันริเป็นกามของมนุษย์อันนี้คือเน้นให้เห็นนะว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เป็นกามโดยธรรมชาติก็มันหรอกมันเป็นอภิยกริทคือไม่เป็นกลางๆงใครจะมองยังไงล่ะมองให้เกิดกิเลสก็ได้มองให้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้อย่างที่บอกว่ารูปเนี่ยเรามองให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างได้เลย อย่างพระพุทธเจ้าเองก็เรียนจากท่อนไม้มันก็เป็นรูปเรียนจากเสียงพินมันก็เป็นรูปหรือว่าที่ทรงสอนพระญาติสาวสาวสอง ส, สามองค์นะพระรูปปนันฑาพระอภิรูปปนันฑาพระนันธาแต่เราต้องรักเขมาแล้วเห็นว่าทรงสอนในรูปสวยๆรูปที่ประณิสต แต่ว่าทรงเชียเห็นสึงสภาวัที่แท้จริงของรูปที่ประณีตเหล่านั้นพอไ ป, ปถึงจุดหนึ่งก็คือการเสื่อมสลายการเเปลืยเปืยหน้าผูพังไปตามกาลแต่ท่านเหล่านั้นก็สำรอบความพอใจได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปดึงดูดมนุษย์เอาไว้ให้อยู่กับพันธนาการตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งของความยินดีก็ได้ยินรายก็ได้เฉยๆก็ได้ แต่ตัวเขาจริงๆไม่ได้เป็นกลาโด้วยสถานะของเขาเป็นกลามเพราะเราไปกำหนดไปกำหนดเอยรูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเราะนะกลิ่นนี้หอมนะรถนี้น่าอร่อยนะสัมผัสนี้น่าจับต้องนะมันก็เกิดอยากได้ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการครอบครองต้องการมันจะเข้าจะเขอมเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นอีกประโยคหนึ่งว่า ความกำหนัดที่พร้อมไปด้วยกับความดําริเนี่ยเป็นกามของบุรุษเพราะถ้าเราไม่ดําริมันก็จบรูปสักแตวรูปเสียงสักแต่ว่เสียงกลิ่นสักแต่ว่กลิ่นรสสักแตว่รสสัมผัสก็สักแต่ว่สัมผัสมันก็ตกไปจากจิตจิตเราไม่ได้ยึดติดในถึงในในสิ่งเหล่านั้นถึงอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระพายาธุรจิรญา ก็ทรงสอนในนี้สองสองสองสามประโยคว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่ายินเมื่อสราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้จบตรงนั้นไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อเพื่ความกำหนัดความกัดเคื่องความรุ่มหลมความหมเมามันก็ไม่เกิดละเรื่อจะมองในมิติอื่นอย่างที่ทรงแสดงแก่พระโมกขราช ดูก่อนโมกขราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของศูนย์แล้วสะถอนอัตตานติคือความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นรวเป็นตนงเราออกมาแล้วเธอก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของมัจจุราชจะหลุดพ้นจากความเกิด น, นะฮะเพราะว่าถ้ามองได้อย่างนั้นมันก็แสดงว่าหมดกิเลสจะแสดงว่าเทวดาไม่เบานะตรงตรง ต, รงตรงนี้อย่างที่เคยบอกว่าพระเจ้าทรงเปล่งเป็นพระพุทุธา ก็ตรงกันกับที่เทวดาว่าสังกัปปะลาโกภุริสัตสกาโมนะความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่เนี่ยเป็นกามของคนจะรับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เรารู้จักแจ้วแล้วเจ้าจะทำอันตรายต่อเราไม่ได้อีกแล้ววรันท่านจึงบอกว่าความกำหนัดที่พร้อมไปด้วยความดำมเบเป็นกามของบุรุษ อรารมณ์งามทัง้งหลายย่อมตั้งอยู่ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละคือมันคือมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราว่างามก็งามสมหับเราเราว่าสวยก็สวยสมหับเราเราว่าหอมก็หอมสมหับเราเราว่าอร่อยก็อร่อยสมหับเราเราว่าหน้าจับต้องก็หน่าจะต้องสมหับเราแต่ถ้ามันเป็นวัตถุกรรมจริงเนี่ยคือคนทุกคนที่เห็นต้องกําหนด ต้องพอใจต้องปรารถนาต้องต้องการแต่ไม่ใช่ก็อย่างที่ท่านบอกอะสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเงินโครนตกคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยพลาพลายมันเราก็จริงว่าเรามองจากพื้นฐานของอะไรว่าจิตในขณะนั้นมันถูกปรุงด้วยกุศลอกุศลหรืออัจฉริยะเรามีสติไหมเรามีปัญญาไหมเรามีความพยายามที่ถูกทางไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็แยกกิตออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรามาแต่ต้นนะมีเป็นนั้นมากที่เราเพิ่งเห็นครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสุดลมครั้งแรกได้ลิ้มครั้งแรกจับต้องครั้งแรกก่อนหน้า น, นั้นก็เพียงแต่ได้ยินข่าวอย่างยกตัวอย่างภิกษุที่เคยเล่าฟังที่แกใฝ่ฝันที่จะมองเห็นนาง สิริมาซึ่งเป็นนคระสุนเป็นหนีในอดีตนะฮะตอนนั้นท่านเป็นอุบาสิกาแล้วแล้วก็อายุก็มากแล้วนะตอนนั้นที่จริงแล้วก็ป่วยด้วยแต่ว่าสัญญาในอดีต ท, ที่ท่านทรงจําท่านได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านปรุงคิดคิดปรุงไว้มันหรูเลิศเลยเพราะนพอท่านเห็นก็จริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นนางสิริมาป่วยมาสองสมวันแล้วแล้วก็เดินเองไม่ได้ ไอ้สาวใช้ประคองมาตักบาทด้วยมือที่สันเทาแต่พิสุมองได้สัญญาแนาด่ดีมันก็กลายเป็นจินตนาการผสมจินตนาการเลยมันสวยไปเลยสวยจนยับยั้งใจไม่อยู่นะห้ามใจไว้ไม่อยู่ต้องการจะศึกออกไปแล้วก็ได้ครอบครองนางสิริมาขับราไม่กินแล้ว กลับไปวาดเก่าบาทวางนอนคลุมโปง่งคิดถึงนางศริมาอยู่สองวันนางศิริมาก็ตายพระเจ้าประเสิที่คนสนก็กลับทูดกับพระเจ้าสงทาบพระเจ้าทรงรู้เพราะ น, น, นางศิริมาเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งนี่ท่านดึงดูดผู้ชายให้ลุ่มหลงขอเพียงได้เข็นขอเพียงได้ฟังเพลงขอเพียงได้พูดคุยอะไรต่างๆโอ๊ย มันก็ไปสวรรค์แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งพอร่างกายของท่านกลายเป็นอารมณ์กรรมฐ า, านพุถุเจ้าใช้วิธีการให้มีการประมูลศพนางสิริมาเริ่มต้นจากเหมือนเดิมนะคือพั 5, นกหาบปัะทุนทังเดิมแล้วก็ลดออกมาเรื่อยไม่มีใครตั้งการให้เปล่าก็ไม่มีใครตั้งการแต่ว่าศพมันก็เปื่อยไปเรื่อย และทรงนำพระพิสูจไปตอนนั้นก็อืดแล้วนะฮะพิสูจน์ตอนนั้นนึกว่าจะไปพบนางศริมาในฝันแต่พอไปถึงไปเห็นนางศริมาที่ตายแล้วแล้วก็เป็นศพแล้วก็เม็นถึงแล้วพูะเจ้า ก, ก็คุยปรารบเรื่องนางศริมาแล้วก็มาสรุปด้วยคาถาเนี่ยคาถาที่พระบางสกุลเนี่ย เป็การชี้บอกถึงสัจธรรมของสังขารทั้งหลายแเราเห็นว่าจริงๆตรงนี้ก็คือเบญจขันธ์นี่แหละตุวนางศรีมาก็คือเบญจขันธ์แต่มันเกิดฉันท่าภิกษุนี่มันเกิดฉันท่าจะเป็นทุกข์อยู่ได้ตลอดออคืเกิดความพอใจมันจะพอใจธรรมดานะพอใจต้องการได้ต้องการครอบครองต้องการเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของต้องการอยู่ร่วม ต้องการเสพสุขกับนางไปหายตะเลิดเบิดเบิงไปใจมันตะเลิดเลยเห็นไหมมันขาดสติมันขาดสมัชัญ ญ, ญามันขาดความพยายามแล้วกระประมาณใจมันก็ไหลไปตามกระแสอารมเพราะนั้นพอมาพบความจริงข้าวพระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาพระสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ มีการเกิดขึ้นแล้วมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาการทําจิตให้สงบระงับในสังขารทั้งหลายจะได้นี่ยก็ยจะเป็นความสุขแต่ก็บรรลุผลนะฮะเพราะงั้นที่เทวดากล่าวเนีว่าจริงๆตัววัตถุกรรมเนี่ยมันไม่เป็นการมโดยตั ว, ต ว, ตวของมันเองแต่เป็นการมเพราะเราไปดําริด้วยอํานาจความใคร่ความใคร่มันก็เกิดเราเหนื่อยราหน้าองโทสะโทสะมันก็เกิด มันมีด้วยปัญญาปัญญามันก็เกิดคือเขาเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเราหรือว่าทำลายเราก็แล้วแต่โลกที่มันบุ่นวายให้เราสังเกตว่ามันก็บุ่นวายแย่งจริงขนาน่ากันนี่เนี่ยเบียดเบียนประทุษร้ายกันสารพัดจนนึกไม่ออกนะว่าเราทำยังไงที่จะ ใหสังคมเนี่ยเขาเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมหน่อยอย่างน้อยที่สุดยอมรับนะฮะยอมรับว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาแล้วพอประสบกับสิ่งเหล่านี้เข้าไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเป็นอารมณ์เป็นอาหารเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเราก็นึกถึงความไม่เที่ยงน้อยอย่างเดีย แล้วเราจะเห็นว่าโทสะมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันมีปัญญาเขา้าสดสองเข้ากำกับเขามาพิจารณารู้เห็นความจริงตามที่มันเป็นความจริงเป็นยังไงก็รู้เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนีคล้ายๆจะง่ายอะ่ะแต่ว่ามันก็ยากเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องที่ทุกคน้องพยายามคิดว่าถ้าเราไม่ดารีก็จบอย่าที่ก็พูดถึงหนุ่มหนุ่มสาวอกหักกระโดดตึกอะไรอะไรฆ่าตัวตายอะไรจะบาะะงทีก็จนครอบครองไม่ได้ก็ขอตายตกไปตามกันอะไรเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ทาวรนมันเป็นเรื่องเรากำหนดขึ้นทีหลัง คนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นเราไม่ได้ครอบครองอยู่ก่อนแล้วมาเจอกันเจอเพื่อจากไม่ใช่เจอเพื่ออยู่กันชั่วนิรันดร์เราไม่จากเขาเขาก็จากเราหรือเขาไม่จากเราเราก็จากเขาแต่การอยู่ร่วมกันชั่วนิรันด์เนี่ยมันไม่มีเพราะว่าสังขารที่เที่ยงนี่มันไม่มีและในความรู้สึก ถึงต้องการใ้เกิดการเที่ยงแท้เนี่ยที่มันยุ่งมากเวลาต้องการเป็นก็คิดว่าไอ้ตัวเป็นเนี่ยมันเที่ยงแท้แทมที่เราจะคิดว่านี่คือบทบาทที่ต้องแสดงตามสถานะที่เราถูกกําหนดให้เป็นเท่านั้นเองบางครั้งเป็นระยะสั้น แต่ว่าตอนเป็นก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีและเป็นให้เป็นแล้วปฏิบัติภารกิจให้สดรับกับสถานะที่สุขถูกสมมติให้เป็นแล้วก็เมื่อเสร็จภารกิจก็คือจบจบก็คือจบแล้วเขาให้เป็นอะไรอีกก็เป็นแตถึงจุดหนึ่งก็คือจบไม่ไปโกรธคนที่มาเป็นแทน หรือว่าโอยหาปรารถนาที่จะเป็นต่อเพราะเราเป็นยังไงเราก็ตายอ่ะเป็นอะไรล่ะเดียกเขาเรียกว่าสมบัติที่ผลัดกันเฉยชุเพราะในสมบทิสัตย์จะกตรงเนี้ยเราถ้าเราเข้าถึงความจริงก็เรียกไม่ต้องเอามากนะักสิบ้าเปซนต่สิบห้าเซนของความจริงที่มีอยู่โดยกฎของมัน เราเข้าถึงกฎของมันสิ่งทลายเกิดปั๊บเนี่ยต้องนึกถึงใจรักไว้จะดีก็นึกถึงใจรักไว้ไม่ดีก็นึกถึงใจรักไว้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เราแต่สิ่งนี้ในความจริงที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวัดเรือดัชซาก็คือดับ ปัญญาที่รู้เท่าทันเนี่ยจึงจะพยายามใช้ปัจจุบันขณะในแต่ละขณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันไปแล้วเราก็แก่ไปแล้วเวลาก็หายไปแล้วแต่ตรงนั้นมันก็กลายเป็นบุญเป็นบารมีธรรมที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าสะสมเป็นจิตสันดาออกไปทั้งฝั่งตัลาย